แร่บันเทิงชุและกริลหัดที่นันทั้งหลายได้ต่างใจมาบำเพ็ญบุญกุศลที่เรามาบวชในศาสนาทั้งหญิงทั้งชายลำดับชายขฝ่ายคารวะที่ผูกครองเรือนกริลหัดนั้นทั้งหญิงด้วยชายด้วยกอบานแม่เรือน ในฝ่ายคาววะก็อเขาวาดัขขาวาดมาลามหรือว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อทาจิตใจให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเป็นการให้ท่านได้เกิดแสงสว่างพบความจริงของชีวิตได้ประการหนึ่งฝ่ายผูบ้บันปชิตผู้นักบวชในประศาสนา บวชจริงบวชถิงใจได้ลัทธินารา ย, ยึดเหนี่ยวทางใจผู้ผ่านไหวเสมอสุดมุ่งหมายก็อันเดียวกันคือบวชกายวาจาจิตตั้งสติปัญญาให้เข้าถึงพุทธธรรมต้องการให้มีจิตยังกุศลด้วยกันทุกคนต้องการให้จิตใจเป็นบุญไม่มีบาป ก็ต้องการให้มีความสุขความเจริญโดยการทุกท่านทุกลกุ่มทุกนามต้องการให้มีกุศลไว้ในจิตสร้างชีวิตให้เกิดปัญญาคือตั้งใจทำงานทุกหน้าที่และการงานโดยการรับผิดชอบอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพจิตเดือลเือหัด แต่จิตใจเข้าถึงพระพุทธธรรมในศาสนานี้ได้ไมาได้มันจะมองเห็นแสงทหว่างคือคุณของพระพุทธเจ้ากระลูกมีค่าในพระพ ธ, ธรรมเรากรลกาปฏิบัติแล้วนั้นก็ต้องการสูด ม, มุ่งหมายอันนี้และคุณค่าของประสงค์คือรัตนนารายัย ก็เป็นชีวิตเหี่ยวทางใจของเราทุกคนเพื่อจะติดตามตนไปในอนญญ า, าค ต, แ, ตแล้วจากโลกไปแล้วจะได้ไปสู่ชั้มปริยภพแล้วก็จะมาทราบความจริงที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสตินั่นเองเจริญปัญญาให้เรามีความรู้ให้มีความเข้าใจให้รู้แจ้งหุงจริงก็ได้ความรู้เกิดขึ้นในตัวท่านเอง นอกเหนือจากจะความรู้จริงแล้วก็ท่านก็จะได้ความคิดจริงคิดสิ่งที่มีประโยชน์ในตัวของท่านเองแล้วท่านก็จะได้ความตั้งใจด้วยการเจริญสติเดินตรงกลมแล้วก็นั่งเจริญกุศลภาวนาด้วยสติปัฏฐานสี่เป็นผ้าปฏิบัติทางสายเอของพระพุทธเจ้าของเรานั้น ท่านก็จะได้ความตั้งใจจริงเกิดขึ้นแล้วก็ท่านปฏิบัติได้แล้วท่านจะประสบประการในชีวิตงท่านเองท่านจะรู้ว่าของจริงอย่างไรของปลอมอย่างไรท่านจะรู้ความจริงอีกอันหนึ่งรู้ว่าเกิดดับของลูกน้ำจะรู้ซึ่งเข้าไปทิ้งชีวิตย้อนหลังของชีวิตก็อ๋อความจริงนี้มีอย่างนี้เอง เกิดแล้วก็ดับผิดเกิดขึ้นคิดอะไรเดี๋ยวมันก็ดับความคิดนั้นไปความคิดใหม่มันก็เกิดขึ้นสับสนกันอยู่อย่างนั้นเองเราก็ทราบความจริงได้ว่าความรู้จริงอ๋อเกิดเป็นทุกข์แน่แน่แก่ไม่มีอะไรดีเลยทั้งขายนก็เสื่อมก็มีแต่ความทุกข์ อนะความสุขในชีวิตนี้ยากมากความเจ็บไข้ใหญ่ป่วยความไม่สบายกายและไม่สบายใจมันก็เกิดความทุกข์ทุกข์กายต่างกายช้งขานมีโรคภัยไข้เจ็บมอเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาการมันก็ไม่มีความสุขเลยมันมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาการ แลเราจะตายจากโรคไปก็มีแต่ความทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เกิดก็เป็นทุกข์นี่แหละเราจะได้พบความจริงจากการเจริญสกับมาฐานที่ท่านมาเจริญกุศลภาวนาอย่างนี้นะ่ะทาให้เกิดความรู้จริงแค่ท่านจะคิดอะไรก็คิดถูกต้องมีสติปัญญาคิดคิดมีสติปัญญาคิดยังไม่พอ ตั้งใจเดินจงกรมตั้งใจกำหนดจิตตั้งสติไว้ทุกอิยลโบทจะยืนเดินนั่งนอนก่อกำหนดตั้งใจจะคิดอะไรก็กำหนดว่าคิดหนอตั้งใจไว้เสมอท่านก็จะได้ประสบประการในการปฏิบัติมากประสบไปเองเช่นเรา ไม่เคยมานั่งภาวนามานั่งเขาแล้วแค่ห้านาทีก็จะนั่งไม่ได้จิตมันกวาดแวงจิตมันก็พุ่งชาาิจิตออกไปคิดอะไรอะไรหลายๆอย่างหลายเรื่องซับซ้อนเรื่องเกาเรื่องใหม่ก็คิดเราจึงต้องกำหนดว่าคิดหนอนี่ประสบประการแล้วประสบปการความคิด ที่เราจะคิดอยู่ตลอดเวลาการคือเป็นธรรมาชาติของจิตมันต้องคิดอ่านอารมณ์อยู่เสมออย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเราก็เดี๋ยวประสบปัญหากับอาการปฏิบัตินี้มากถ้าท่านตั้งใจแล้วมันจะประสบประการณ์กับไอ้ความปฏิบัตินี้ <c oughs> ว่ามันได้ประสบประการณ์อย่างไรเรียนยกตัวอย่างจิตสับสน ขณะที่กำหนดยืนหนอห้าครั้งถ้าหากว่าจิตท่านไม่เป็นสมาธิจิตไม่มั่นแล้วนั้นจิตจะกวาดแกว่งมันจะแกว่งออกไปนอกประเด็นนี้กำหนดยืนหนอมันจิงไม่ได้หายใจเข้าออกก็ไม่ได้มันไม่จะจังหวะ ประจิตมันเป็นอารมณ์หายใจเข้าออกนะเป็นอารมณ์อารมณ์พุ่งจิตแต่ท่านมาเดีวสังเกตประสบประการทุ่งผันเองถ้าตัานสังเกตมีสติเนี่ยมันเป็นการสังเกตไอสัมผัชัญญะเนี่ยมันรู้ตัวสังเกตว่าสังเกตได้อย่างไรยืนหนอลงไปนั้นถ้าเรามีสติควบคุมมันไม่ได้ จิตมันก็ไม่กวัดแกว่งจิตจะไม่ออกไปข้างนอกเลยแต่ท่านมามีเวลาน้อยนะก็ะยังไม่ได้เข้าแหล่งของสมาธิบำเพ็ญกิจภาวนาได้จิตจะย่องยอมจะต้องสับสนตลอดเลยการเวลาเรานั่งภาวนาฮ้องหนอรบหนอทำไม่ได้จังหวะแล้วมันจะอึดอัด ทำไมาแตจังหวะอ่นอาจิตมันจะรีบออกไปมันจะไม่อยู่ที่ทตัวกาหนดนี้ถ้าเราสติดีควบคุมไว้ได้จาคํำว่ายืนหนอห้าครั้งนะเป็นการควบคุมวิธีการที่ประสบประการเบื้องตน้นถ้าเราทำได้สติดีคือกาหนดได้เรียกว่าสติดีรู้ตัวอยู่ว่าจิตไม่ออกไปนะ มันจะผนวกบวกกันไปด้วยชั้เกิดการและประสบะการณ์ที่เราทําอยู่ขณะนั้นเรียกว่าปัจจุบันนะครับคาว่าปัจจุบันเนี่ยคือประสบการณ์คนตนเองเราได้ปัจจุบันแล้วจิตมันก็ดีสติก็ดีควบคุมไม่ได้อนาล่ะเรียกว่าประสบการณ์นันมืประสบการณ์เห็นแจ้งจริงเห็นชัดรูปนามก็ชัดเจนขึ้น ลูปประทรมปก็ชัดเจนนามนธรรมก็อยู่ที่มีธรรมะประจําจิตเรียกว่านามนธรรมมีธรรมะประจําจิตสติท่านดีทุกประการในการสรับสนที่เราคิด ส, สับสนจิต ค, คิดโน่นคิดนี่นานาประการถ้าท่านขาดสติไม่จะตัวกําหนดเกิดขึ้นประสบประการก็ไม่มีแล้วความรู้จริงก็หายไป ในเมื่อไม่รู้จริงแล้วจิตมันก็ออกไปไปแสงทางโน้นบ้างไปแสงทางนี้บ้างเราก็ไม่เข้าไม่ภาวะเลยประสบประการคนตนเองแล้วความคิดที่มันจะเกิดขึ้นขณะนั้นมันจะคิดไม่ดีเลยมันจะคิดไปตามอารมณ์ของจิตจิตไม่ดีแล้วมันก็คิดไปทางที่ไม่ดี ถ้าจิตดีมีสติควบคุมได้มันจะคิดแต่สิ่งที่มีประโยชน์แก่จำตัวของเราเองมันจะไม่แสบไปหาทางเลยวแหลแกแตกลานไล่สาระไม่เป็นประโยชน์แต่ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะท่านที่มาปฏิบัตินี้ก็มีเวลาน้อยมากและปฏิบัติก็ไม่ยังไม่ได้เขา็อกเขาร้อยอะไรถ้าท่านจะมีสมาธิน่ะอย่างไร แต่ก็ขอโปรกกำหนดจดจำเขาไว้ว่าจิตนี้มันต้องคิดมันจะอยู่ที่ไม่ได้เราอาจจะบ่นในตัวเองว่าเฮ้เราคงทำไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่อยู่ที่อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติทอนไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นหรอกนะเ็เหมือนกันทุกคนจิตจะอยู่ที่ตลอดไม่ได้ ขนาดเรานั่งอยู่เฉยๆมันยังคิดออกไปนอกรูกนอกทางคิดไปทางไม่ดีแต่เราสติควบคุมจิตเขาไว้ได้รู้ตัวอยู่ด้วยการกำหน ด, ดจิตก็คือกำหนดว่าคิดหนอบ้างกาหนดรู้หนอบ้างทีล้นปีเนี่ยแล้วสติดีจิต ด, ดีขึ้นมันจะแสบไปในทางดีทั้งหมดความคิดจะเกิดขึ้นมา ก็คือตัวปัญญามันจะหลบรู้ได้ทันทีไอค้คมว่าหลบรู้นี่คือตัวยานทัศนะในมาจิตบริสุทธิ์ได้ก็เรียกว่ายานบิสุทธิ์ทิศำว่าเกิดบริสุทธิ์ได้มาได้จะมีเหตุผลประสบะการณ์กับปัญหาต่างๆเพื่อจะแก้ไขปัญหาได้ต่จิตท่านไม่บริสุทธิ์ขาดธรรมะขาดสติแล้ว ท่านจะคิดออกนอกลู่นอกทางจะไม่ประสบปะการในทางดีเลยจะไปประสบปการในทางที่เลวร้วายทำอะไรก็คิดแต่ขาดทุนไม่ได้คิดถึงบุญกุศลจะไม่คิดถึงเรื่องที่จะต้องตนจะพึงทำได้เลยไปคิดแต่สิ่งที่ไร้สาระไร้ประโยชน์ต่อเวลาของตนเอง น้าตนเองนั้นน่ะมันจะได้อะไรหรือภานาที่เรามาปฏิบัติเนี่ยแค่เจ็ดวันจิตก็ยังไม่อยู่ที่แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจิตมันจะคิดอะไรก็ตามมันจะออกไปทางไหนนอกลูนอกทางก็ตามไม่ว่ากันแต่วิธีปฏิบัติเนี้นั้นน่ะเราต้องกำหนดที่จะติดที่ลิ้นปี่บางทีครูอาจารย์สอนผิต กำหนดที่หัวใจกำหนดตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหายใจยาวๆเข้าไว้แล้วกำหนดความคิดตั้งสติเช่นใหม่กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอครั้งยี่สิบครั้งหายใจยาวๆไว้เดี๋ยจิตจะกลับมาสติดีขึ้นมันก็ควบคุมจิตเข้าไว้ได้ความคิดนั้น เกาก็แช่ประสบประการว่าอ๋อที่คิดไปแล้วนั้นไม่ดีมันไปคิดถึงเรื่องเก่ามันคิดถึงเรื่องอกุศลกรรมมันคิดถึงบาปกรรมในตัวเองสจิตเนี่ยมันหนักไปทางไหนมันฝังใจทางใดมันก็คิดไปทางนั้นมันคิดไปทางบาปที่มันฝังใจอยู่มานานหรือการลิเชยาบ้าง การผูกพยาบาทบ้างขาดพยเวนตอเว้นต่อกรำรบ้างเนี่ยกรรมเนี่ยมันในสนองอยู่เสมอไอเวนกรรมที่เราสร้างไว้เนี่ยมันจะโผล่ออกมาให้เราต้องตีปัญหาและคิดในเรื่องเวงกรรมตามสนองอยู่ตลอดเวลาการยกตัวอย่างที่ตา ม, มาตัวประสบไอกรรมมาเนี่ยมันก็จะบอกได้ เรามีสติยึดครองมันไหวทั้มติดต่อกันไปโดยต่อเนื่องแล้วไอตัวสติจะบอกว่าเนี่ยกรรมมาถึงแล้วแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้แล้วเราต้องประสบะการณ์กับเพราะกรรมที่เราทําไว้เท่านั้นคนอื่นไม่ได้ทําให้เราเลยเราเท่านั้นเป็นผู้ทําเป็นผู้ก่อกรรมไปที่ก่อก็ไปโทษเวรโทษกรรม ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาก็ไปโยนให้กรรมว่าเป็นโลกของกรรมไม่ต้องไปโยนให้ใครหลอกนะโยนให้ตัวเองเถอะตมานี่ยยอมรับกรรมมาเสมอแล้วไม่ปฏิเสธทุกข้อาหาก็รับเวรรับกรรมมาตลอดเวลาการเนีย่ยเป็นตัวประสบะการณ์สำคัญมากทําให้รู้เวรกรรมที่ตามสนองเรามาแล้วเราก็ต้องใช้หนีกรรม ตลอดไปบางคนไม่เอาอันจะไม่มองเห็นเวงกรรมที่ท่าทำไว้ทั้งอดีตเลยก็ท่านตั้งสติไม่ได้ขาดสมาธิไอ้จิตก็เลี้ยวแหลกออกไปในทางอารมณ์ที่ชอบจิตนี่มันชอบกิเลสเพราะกิเลสนี่มันเป็นอาหารของมันอาหารของกิเลสทางตาหูจมูกร่างกายใจตาให้รูปชอบชอบรูป สวยหูก็ชอบเพียงเ พ, เพราะๆออกมาอย่างนี้ตลอดในการหูก็ชอบชอบเพราะตาก็ชอบรูปสวยตามมําูก็ชอบของหอมมันไม่ชอบของเหม็นแต่ประการใดแต่เรามีสติ ด, ดีแล้วจะรู้ได้เลยว่าหอกของหอมกลายเป็นของเหม็น ของเหม็นก็คือของหอมของดีที่มีอยู่ในจิตใจนะ่นเป็นศีลมันก็หอมอบอวนทวนลมไปได้แต่จิตมันเลวจิตมันไม่เป็นกูรศรมีอยู่ในเวงตามของตนเองวิชยาคนโน่นบอกคนนี้ไม่เคยช่วยใครทำอะไรก็ทำให้คนเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนไอ้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วย แถมก็เบียดเบียนตนโดยไม่รู้ตัวจากเบียดเบียนตนก็ยังไม่พอไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยเดือดร้อนไปตามๆกันนั่นแหละท่านจะประสบกรรมแน่นอนจะต้องรับกรรมทันเวลานี่เนี่ยกรรมมาตัดรอนบ่อนทำลายท่านได้ขอฝากผู้ปฏิบัติทำไว้ด้วยการเจริญกุศลภาวนาต้องตามจะทราบกรรมที่เราทำไว้ ถ้าเรามีสติดีสมาธิดีมันจะมองเห็นกรรมของตัวเองไม่จะไปมองเห็นกรรมของคนอื่นหรอกกรรมตัวเองนี่สำคัญที่ทำชั่วทำไม่ดีมามันก็จะผุดขึ้นมาในดวงจิตบอกให้เราทราบทางสติบอกอ๋อเราจะต้องรับกรรมแล้วในวันพรุ่ง น, นี้เนี่ยมะลืนนี้จะรับกรรมกรรมมาตัดรอนเรา ตัดบ่อนทําลายความดีของเราที่เราสร้างแต่ความดีไม่พอให้ความชั่วมันมากกว่ามันก็ทําลายเราก่อนเสมอยกตัวอย่างให้เห็นทา่านึ้นไปมันยอดไม้เอานุ่นกตามหนึ่งเอาหินกตามหนึ่ ง, งแล้วทิ้งมาพร้อมกันที่หินลื่นุ่นมันจะถึงเพื่อนก่อนใครหนักทั้งไหนมันก็ถึงก่อนบุญญกรรมตามสนองเราที่กรรมหนัก มันก็จะรับได้ไวทันเวลาแต่กรำรเบาหน่อยก็เหมือนนุ่นทิ้งไปแล้วมันก็ยังลอยไปตามลมตามกระแสะคลื่นตามกระแสะลมว่ามันจะลงถึงพื้นดินก็ใช้เวลานานชั้นใดก็ชั้นนั้นทุกคนก็ไม่ชาบอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่จะมาะเจริญกุศลภาวนาอัตมาจึงกล่าวมานานแล้วละระลึกชาดได้คือชาิของตนเอง เราเลรกดีเรื้อชั่วดาที่เราทำกรรมดีกรรมชั่วไว้สองจะได้รู้ว่ากรรมประสบะการถ้าเราจเจริญกุศลภาว น, นามันมีสติปัญญาจริงได้ผลจริงแล้วมันจะรู้ว่าเราทำกรรมชั่วก ร, รมดีไว้ทั้งอดีตมันจะมาโผล่ออกให้เรารับกรรมถ้าเราชราบของจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่ปฏิเสธทุกข์ก่อหาเราก็ยอมรับตรมทันเวลา แต่กรรมมาต้องประสบอัมมาหมายหลายประการแต่คนอื่นยังสร้างเวรตลอดเลยกรรันสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ตัวเองแต่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ทราบไม่เข้าใจมีแต่ทิฏฐิมรณะตลอดเลยการไหนเลยแล้วฉันจะหมดเวรหมดกรรมไม่จะไปนั่งหลับตาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องใช่มีเวรกรรมแต่ประการได้บุญก็ไม่ต้องสร้าง กรรมก็ไม่ต้องทำบาปกรรมไม่ต้องทำอยู่เฉยๆบุญกรรมก็จะเกิดผลได้อย่างไรมันจะไม่เกิดผลแก่ท่านแต่ประการใดอันนี้ขอฝากผู้ปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่มาชิมชิมจามจ้ำวันเดียวกลับเนะี้ไม่ได้อะไรเลยนะแต่ก็ได้ถ้็รู้ว่ามาเนี่ยยังมีนิสัยได้บ้างแต่นิสัยเนี่ยมันก็ยังแก้ไม่ได้ด้วนะ สัญญาณของนิสัยควรจะดีได้มีสติฉัมภชัญญะแล้วมันจะเปลี่ยนนิสัยกลับไลใ่ใครดีได้ก็ก่อนนี้เราไม่เคยมีเมตตากับใครไม่เคยช่วยใครเลยนี่จะทําลายถ้าเรามีสติฉัมภิชัญญะดีมันจะสํานึกสำน ญ, ญานในหน้าที่สิญาณทัศนคติสุขที่เกิดบริสุทธิ์ใจมาได้จะลู ก, กอดแห่งกรรมที่ทําไปเป็นจุดจุด จะรู้ว่ามันขุดขึ้นมาว่าเราเนี่ยทำเวรทำกรรมไว้เคยฆ่านกตกปลาเคยฆ่ามดฆ่าขายุงเคยขยี้มดเคยเอาไฟเผามันเป็นต้นจะมองเห็นกรรมได้แต่ตนเองบางคนมาสร้างบุญไม่ได้เลยมาเจริญกรรมฐานก็ไม่ได้เพราะกรรมหนักกรรมหนักมันก็จะทำลายก่อนถ้าสู้เวรกรรมได้ใช้ยอมใช้ ยอมรับใช้แล้วนั้นก็สามารถชางความดีได้ถ้าความดีนี่ขอเจริญพรวัดทำได้ยากมากต้องทะลุความความลาบากยากจากเวงกรรมไปก่อนถึงจะพบของดีได้ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นด็อกเตอร์ลองสดาจารย์จูดีพรท่านมานั่งกรรมาฐานที่วัด น, นี้เป็นอาจารย์สอนปริญาเอก ที่คุรามาหาวิยชลัยนั่งไม่ได้เลยต้องกลับอยู่ห้องนี้ปลวกก็ขึ้นกินหูกินตากัดหูขัดตากัดผมย้ายไปห้องโน้นปลวกก็ตามไปอีกตามไปกัดตากัดหูกัดตูดกัดอะไรปลวกเอาย้ายสาม ย, าย้ายให้จำเรินเพื่อขนของแล่ก็ไม่ใส่เชือนนายด้วย เลือผ่าสายจะเสื้อหนอกเรื่องจริงที่วัดนี้ทนะั้งนั้นเลยย้ายไปสามย้ายเลยช้าข อ, อกลับบอกหลวงพอ่อนางไม่ได้ปลวกวัดนี้เยอะมากขอเท้าจริงอะปลวกมันก็ไม่อยู่แต่ปลวกเวนปลวกกรรมบอกอกเ ต, ต๋อตมาจะบอกให้ก็ได้ยนะตองไปทำทีเหลาะสอดติดนอน ี่แตงคอยปาดช่องกรุงไหนก็ตามจะไปเผาปลวกใช่ไหมโอนปลวกมันมากจะปลกูกเรือนปลกูกห้องปลกูกแล้วทางนั้นเอาไฟจุดมันเลยเผามันเลยแล้วมันก็ตายจ้ดไฟเผาแล้วตัวเองจะมาสร้างความดีมันก็มาอย่างนี้แหละหนอถ้าต้องการจะใช้เวรใช้กรรมก็ให้ปลวกมันกัดไปก่อน ในอย่างนี้แล้วก็อดทนแทนเมตตาก็สามารถจะนั่งได้แต่ท่านรองสดาจาร์ด็อกเตอร์ผูนีเนี่ยนะไปลูกสิที่นั่งไม่ได้ทำไม่ได้เลยบางท่านมาตั้งใจสับชาเต็มที่จะมาอยู่กรรมฐ า, านสักเจ็ดวันสิบห้าวันอยู่สามคืนหนีกันทั้งนั้นไปพบเวงตามข้าวตามสนองมา เลยก็อยู่ไม่ได้เวรรามนั่นไม่ซึ่งไม่สุดยุติลงได้เพราะไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่เราจะต้องยอมรับว่าไปเผาเข้ามาต้องแผ่เมตตาอย่างนี้เป็นต้นถ้าแม้แผ่เมตตาได้เขาก็จะไปแพ่ส่วนบุญกุศนให้เขาบ้างที่ไปฆ่าเขามาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหลท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ย จะตามมาแขนหักขาหักต้องแพ่เมตตาเป็นเวลาที่แหลมเดือนกว่าจะหายขาไปหักที่ปักไฮไปหาหน้าปลามาเลี้ยงกันในวัดแล้วก็ไปไปงัดลองเขาขาหักทั้นทีในแหละเราหักขานกเราก็ต้องยอมรับปวดแสนจะปวดก็ต้องแพ่เมตตากำหนดให้มันหายไป ก็ต้องทร ม, มานอย่างนี้แหละหนอนสัณหาทุกชนทั้งหลายต้องยอมรับมีเป็นเรื่องที่วัดนี้หลายรายที่มานั่งกันไม่ได้หาวังไม่มีบุญไม่มีกุศลแต่ประการใดข้อเท็จจริงเนี่ยตัวทำกรรมไว้เนี่ยดอกเตอร์ร้องศรรดาจานไปทะลุศีกที่นี่ลูกสาวก็อยู่สหรักอเมริกาลูกสาวแกงลูกเขยแกงลูกเ ข, ย, ขยเป็นฝรั่งสาวอเมริกัน สามีภรรยาถึงจะเป็นคริสแต่เขาก็นางภาวนาใช้เวรใช้กรรมบัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองได้วิชาตามีการดังสองสามีภรรยาต้องลำบากลำบนใช้เวรใช้กรรมจะเห็นแก่ตัวเลยแต่ขอเจริญพรว่าคนเรายุคใหม่สมัยนี้เห็นแก่ตัวมากง่ายเกินไปมากได้ดี๋ยทํลายตามแต่จไม่ได้ต้องทำมีเหตุมีผล ต้องดูกุศลนกุศลกรรมที่เราทาดีหรือทำชั่วเราก็รู้ตัวอยู่อยู่การทุกคนว่าเราเนี่ยเดี๋ยวทำความไม่ดีมาแล้วมันก็จะได้รับของไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทำของดีมามันก็ต้องได้รับของดีเหมือนกันทุกคนถ้าทำดีนะมันก็ต้องได้ดีเป็นธรรมดาแต่เราทำอะไรแล้วก็ไม่คอยด่าอะไรเลย นี่ผ่านอุปสรรคไม่มีการประสบการด้วยตนเองเพราะฉะนั้นทำดีต้องต้องมีมีอุปสรรคสร้างความดีต้องลงทุนลำบากยากลําเคงใจมันทิ้งจะพบของดีต้องพยายามต่อไปนะบางคนสร้างความชั่วเนี่ยเอาปูนหมายหัวไว้ไม่อยากทําอะไรเลยกินสบายนอนสบายไม่อยากทําอะไรเขาทําอะไรกันก็ไม่อยากจะช่วย กำลังชั่วอยู่โดยไม่รู้ตัวเนี่ยบวกกฎแห่งกรรมดูที่วันข้างหน้าเนี่ยกรรมอะไรจะมาชัดคนดีมีปัญญาพระเอกในเรื่องละครชีวิตทั้งหญิงทั้งชายต้องทนคุกอทล ม, มาลาบากมาก่อนด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครมีความสบายแจบระการได้ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยอยากจะเป็นพระเอกในเรื่องละครชีวิตท่านต้องทนลำบากได้ สองอดกลั้นอดออมสองเป็นคนยังไม่เป็นคนมากง่ายมากนายจนเกินไปขอให้เจริญมักแปดคือสติปัฏฐานสอสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลาจรวัาสบริสุทธิ์หากว่าถึงวิสุทธิทสิลวิสุทธิเมื่อได้จะรู้กดถึงกรรมมุ่งสันเองตามหมายถึงวิสุทธิยานทัชนะวิสุทธิ จำไม่มีทางที่จะทราบว่าบุญบาปเป็นประการใดกฎแห่งกรรมท่านก็ไม่รู้บางท่านเข้าพระสมรมบัตรได้เป็นยกตัวอย่างแม่ยายเนี่ยสามชั่วโมงวายหมอชะลอแปดชั่วโมงรู้กฎแห่งกรรมได้เลยว่าอ๋อตัวเองจะต้องโดนฆ่าตายน้าตกเขาเอลา ว, วั น, านตาบลหรืออ่าตำบล ฆาบูชาอำเภอชิชวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปตายอย่างนั้นจริงๆโดนฆ่าตายที่โตนไปฆ่าเขามาก่อนฆ่าญิงยังอยู่ในเรือนไฟ อ, อลอดบุดมาก็เราไปฆ่าเขาแล้วก็เอาลูกเผาโูดไฟเผาก็ท่อมหมดอันนี้เป็นหลักที่พิสูจน์ได้โดยไม่อยากนับแม่ใหญ่ก็ทราบดีเรื่องนี้ มีเหตุผลไม่แช่มาทำวันท้องวันจะเข้าพระสมาบัติเข้ายากต้องมีสติติดต่อต้องมีสมาีิสูงพละแปลว่าพลังของสมาธิต้องประกอบด้วยสติทั้มัญญาลูกก้กดแห่งกรรมลำบิกชาติต้องตัวเองได้อาจจะเห็นคนอื่นอาจจะลึกกว่าคนอื่นนี่คือขั ก็สามารถจะเป็นไปได้โดนไม่ยากนักแต่ต้องใช้เวลานานมากแต่เรียนมหนึ่งถึงมหกต้องใช้หกปีปหนึ่งปหกปหกปีปปต่เรามาวันเดียวสองวันจะได้อะไรต้องใช้เวลากลับไปบ้านแล้วขอให้ไปทำสะสมบุญเข้าไว้เพื่อมีความสุขความเจริญบุญก็คือชำระใจให้สะอาดให้ถือมิสิน สินบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิ์สินหรื อ, อยานวิสุทธิ์ยานแปลว่าความรู้เปิดปัญญายานด้วยความบริสุทธิ์ใจมีสติมั่นอยู่ในสมาธิภาวนาจิตก็ไม่หลอกแหลกจิตก็ไม่หลวมเลวละหลวมเลวหลจิตก็เป็นคู่มีปัญญา ได้ประสบประการมากและมีความจริงจากการเจริญกรรมฐ า, านนีเองแต่ท่านทั้งหลายก็มาเวลาน้อยมากอยากได้ดีแต่ทำความดีน้อยทำความไม่ดีชะมากมายมันจะไปกันไม่หลอดมันจะมันจะทบทวนไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีมีมากเทลาไมันก็สามารถจะระจับกระจายความชั่วออกไปได้ แต่ความดีเราน้อยความทั่วมันมากมันก็หนักเหมือนเป็นหินมันก็ต้องตอกลงดิ้งก่อนแต่ความดีน้อยเหมือนนุ่นมันก็ปลิวไปมันไม่คอยจะได้อะไรชั้นใดก็ชั้นนั้นจิด ก, ก็เบาเหมือนนุ่นมันไม่หนักแน่นไม่มีขั้นติดความหมดสมาธิที่หน่อยมันก็เห็นนี่มิดโนน่ะนี่มิดนี่แล้วแถมขาดจะติดไม่มีกำหนด กำหนดว่าเห็นหนอเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยก็จิกก็จับสนคิดว่าตนทําได้ว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นภูเขาเําเงาพลายเห็นแสงสีเห็นเห็นแวบบแวบบเห็นแสงเหมือนแสงหินห้อยแต่เหมือนแสงไฟฉายก็คิดว่าตนได้ธรรมะและเปล่าเลยไม่ใช่ห่างเหินมากเราก็กําหนดว่าเห็นหนอ มันจะไปเห็นผีสางนางโกงหร่อจะเห็นอะไรก็าตามผู้ปฏิบัติต้องกาหนดไว้เห็นเห็นหนอของนี่จริงนะถ้าไม่จริงมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็เลื่อนลอยเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ต้องจำต้องกล่าวว่าไปเห็นโน่นไปเห็นนี่แล้วก็เพื่อนเขาเห็นโน่นเห็นนี่กันเราไม่เห็นอะไรเลยก็คงคิดว่าไม่ดีไม่ใช่นะ ไม่เห็นอะไรเลยยิ่งใหญ่ใหญ่เราจะได้มีสติมีปัญญาคนที่ประสาทเป็นบ้างทีหน่อยไปโลกประสาทมานะนางจะเห็นมีมิดเป็นแถวหมดเห็นโน่นเห็นนี่เห็นไม่พักกำหนดก็ไม่หายเดีย๋ยวเห็นอ่อนเห็นนี่ไปแล้วแติตใจก็เขวไปในทางนั้นมันกาเรียกว่าประสาทมาแล้วเข้ามาจํานวนมากเลยทําอะไรไม่เด็ดผลเลย สองไปรักษาภาวะห้สู่ความไปตกปกติก่อนค่อยมานั่งไม้ น, นี้สติปัญญาถึงจะเด็ดผลยังมี้เป็นตน้นถึงจะได้ผู้ชนนะก็ขอฝ่าท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานไว้ด้วยบางทีส่วนมากมา ก, กันก็เด็ดผลมั่งไม่เด็ดผลมั่งก็ไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจทําตั้งใจช่างผู้ชนให้แก่ตนไว้ สะสมไปวันละเล็กวันละน้อยไปคอยเดินตรงกลมนั่งกรรมฐ า, านกลับไปบ้านแล้วก็สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็เดินตรงกลมนั่งกรรมฐ า, านรับรองท่านตรงใดผลนเนี่ยต้องทําใช้เวลาหน่อยไม่จะทำเดียวก็ให้ได้เลยเนี่ยมันที่ไหนแล้วภนาไม่จะใช่แ ล, ใชแล้วหวานหวานแล้วเท้ามันจะออกกลวงมาไรแล้วใายแล้วก็ต้องแปล ต้องไปด่าก่อนด่าแล้วก็แปลแปลแล้วก็ต้องถ่าแล้วทิ้งจะหวานหวานก็ต้องไปด้าย้าอีกกว่าจะข้าวโตไปอีกก็ต้องเลี้ยงต้นข้าวกว่าจะออกข้องกว่าจะแก่กว่าจะออกร ว, ว, วงมาได้หลาตอนออกรวงแล้วกว่าจะกินไม่ได้มันก็ต้องไปเก็บเกี่ยวเกี่ยวแล้วต้องมาตากเลยนี่เกี่ยวแล้วก็นวดเลยข้าวทิงเอาเกี่ยวแล้วต้องตากให้มันแห้ง แห้งแล้วก็เข้ามาถลอมเข้ามาลานแล้วค่อยนวดหนวดแล้วก็ยังไม่ได้กินต้องไปบ่มในยุง่งเอาไว้ในยุง่งสองเดือนสามเดือนตัดออกมาก็ขายบ้างแล้วไปสีก็ยังกินไม่ได้จะเป็นข้อสารเป็นข้อสารแล้วก็ต้องไปหูงหูงแล้วก็ยังไม่ได้รับทานเอาไปตั้งไว้เดี๋ยวหมูหมากินก็ไม่ได้รับทานชั้นใดก็ชั้นนั้น ต้งรับทานไปแล้วถึงจะเป็นของเราเนะตั้ทานไปตั้งวางไหวหมูหมาแมวกินแล้วก็จะเป็นของเราดีอย่างไรต้องรับทานยินเข้าไปแล้วถึงจะรู้ว่ากับข้าวเนี่ินแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายสังขานอย่างนั้นชีวมันหลายตอนอย่างนี้การปฏิบัติก็หลายตอนหลายขั้นเช่นอยู่กันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยทำเป็นต้น จะได้ประโยชน์จากทั้งเองในเรามาในโบสถ์เรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ได้บุญแล้วมานั่งมาเพนจิตภ า, าวนาจะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่สมเด็จย่าสมเด็จราศรีนคัครินบรมทลาบรมราโชโสดลมีแล้วไปถวายราพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแก่มหาบพิษ เรจะสมทานเจ้าคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ได้บุญแบบประโยชน์แต่ตนเองใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาว่ากล่าวกันมัน ท, ทําเถอะมันก็มันได้ไม่ทํามันก็ไม่ได้เราก็ได้บุญของเราเองบุญนี่คือความสุกต่างใจถวายเป็นปรยกุศลสร้างใจทุนใครพัฒนา ในหลวงก็เอามาถวายเรามากมายไก่กองนี่บูญเห็นด่านตาในชาตินี้มาต่อไปอนในชาติหน้ายกตัวอย่างสมเด็จพระราชรณีหรือสมเด็จยา่าเป็นสามัญชนธรรมดาพระชนกชิ่ชูพระชนนีชื่อคำเราจะสูตรที่จังหวัดนนทบุรีเป็นสามัญธรรมดาจะมาตั้งอยู่ อยู่กับป้าลินาไม่ทราบอยู <Leon idas> ่ใกล้ใจวัดอานงคารามจตะคุณสมเด็จพระพุทธาจามนวมเป็นอาจารย์สอนหนังสือให้พระองค์ท่านต่อกับพร้าพ่อกับพร้าแม่มาอยังยังยังอยู่ในพระยาอย่างยาววัยใะพระราชบิดามารดาก็สิ้นไปซะแล้วท่านยังอุปถัมภช่วยพระองค์เองตลอดมาแล้วก็ หลวงขอรับมาอุปการะเราส่งเรียนแพทย์ผดุงครรภพยาบาลเศรษลาดแล้วก็ส่งไปไหนส่งไปต่อสหรัฐอเมริกาจึงไ ป, ไปเจอพระชนกของเจ้าอยู่หัวหนึ่เรียกว่ า, านะคุนสลงครานนครินสหรัฐอเมริกา นี่แหละกมพาพอกัมพลาแม่นะมนนีประชนทิ้งดาวสืบสืบประพันษาคือต้นเด็กยาตันสาทุกชนทั้งหลายคนเราเนี่ยเหมือนเหมือนบัวเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำเกิดในโคลนต้มสามารถจะทู ก, กา้านทูดอกออกมาบานสะพรั่งมีพลาะจะโอรสเป็นพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องมีบา ร, รมีต้องมีบุญมาแต่ชาติก่อนแล้วมาช่างบุญชาตินี้เพิ่มขึ้นโดยสมเด็จพระลาโทรลนีลงไม่เคยว่างพราะวรากายมีติดใจเลี้ยงพระชบุตรทิดาอย่างดียิ่งตลอดมาทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยนะอาศัยบุญวัฒนาเหมือนคนเราเหมือน เหมือนบัวเกิดในในโคลนในตอมด้วยกันทั้งนั้นแต่ชูก้านทูใบขึ้นมาได้เห็นไหมชัดมีบุญวาสนาบางคนก็บัวเกิดในโคลนตอมไม่อยากจะขึ้นไม่อยากจะชูก้านทูใบเป็นอาหารเต่าปลาหมดแถมบัวอยู่ใต้ดินยังไม่งอกยังไม่ประกอบออกมาก็หมดทางเช่นเดียวกันเหมือนบัวสีเหล่าชะนนั้น มีแหละบุญวัฒนาของคนเราพระองค์ท่านสมเด็จ ย, ย่าเนี่ยเป็นเป็นสามัญชนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองรัชนกชิดชูรลชชลนีชื่อคำประโสดที่จังหวัดนนทบุรีมาตอนหลังทรงทยาวิ ด, ดาก็สิน้นละมานดาก็สิ้นไปเป็นลูกอัพรมาแต่ยาววัย ระองพยายามช่วยตัวเองตลอดมาเรียนแพทย์พยาธิพยาบาลสิริราชตามประวัติถึกมาก็พยายามตั้งอกตั้งใจเรียนตั้งใจเล็กๆยาวไวเรียนมาตลอดจึงเจอเจอพระชนกที่สหารัฐอเมริกานั่นแหละนี่แหละบุญวัสนาพาไป คนเลาไล่บุญวาชนามันจะพาลงนรกจะพาไปหมกไหมคนที่มีบุญวาชนาแล้วก็จะเสเถียรจักายไปหาทางดีทั้งหมดนี่ไม่ไล่บุญไม่ขาดวาชนาแต่ประการใดสมเด็จย่าสรางบุญมาหลายชาติสร้างมาตามันดับมาในชาติปัจจุบันของพระองค์ถึงมีประชาชนถึงเ้าสิบสี่ประพันชาสางแต่ความดีตลอด แล้วก็เลี้ยงพระชะบุตรธิดาเลี้ยงอย่างดีด้วยหลอนลูกดีทุกท่านทุกลูกน้ำตลอดกาลเวลาเป็นถึงพระมหากษัตริ์ถึงสองพระองค์แล้วละบรมวงศานุวงศ์ในเชื้อชาติของวงจักรีวงเทปเจ้าทั้งหลายิ้งกระติตมาประสูตดกันทั้งนั้น ดังมีลทธเดชเดชะอนุภาพอือบุญบา ร, รมีของท่านหมาบอกพิษพระทุน่านเจา้ากระเสืบเนื่องวงจักรีเสืบมาจนัตบนี้ในแหละพี่น้องทิลักสามัญชนธรรมดาอาตมาไปไปข้างวัดอนานงคลามไปข้างวัดอนานงคลามไปหาผงพระมาทำพระ ผูกพันธสีมาวัดรมมูรีสร้างโบสถ์โบสเตาไปหมดแล้วเป็นเวลานานหลายปีแล้วแต่จะมายังมาอยู่ที่นี่ยังไม่มาอยู่สองพันสี่ร้อยเก้าทิสี่ไปข้างวัดอโนงคลามจาับพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์นุ่มลุงขึ้นเชา้าสมเด็จราชลนิยกเด็ดมาที่นั่นจำมานั่งอยู่นั่นด้วย ท่านก็บปลาลบปูกันไว้ประพรสมเด็จชนรนีศรีช้งวานก็กราบเป็นครูประชาอาจารย์แล้วก็ท่านสมเด็จพุทธ า, าจารย์รวมเราใหาตา ม, มาฟังบอกนี้เธอเราเป็นครูใหญ่โรงเรียนที่วัดอโนงนี้เราก็ได้เป็นครูอาจารย์ของสมเด็จพระราชนีสอนหนังสือให้ท่าน แล้วก็ท่านตาต็วเล็ย ก, เยกยาววายเจริญวายคนมีบุญเดียนหนังสือก็เก่งขยันมันเพียนตั้งแต่ขยาวแล้วตลอดรายการนี่แหละญาติโยมเหมยคนมีบุญเนี่ยไปเองไปเองคนไล่บุญวาสนามันจะไปทางชั่วเอาตัวไม่หลอดนอะอถึงหากว่าเราไล้บุญวาสนาไม่เป็นลายนโยมนะส้างขึ้นมาเชื่อ มาเจริญชัทรธรกรรมาฐานไว้ให้มากเพื่อไปให้ลูกแล้วไปให้บิดามันดาไปให้ใช้มีเวงกรรมได้ผลอย่างสมค่าตาถนาทุกประการแต่ตามาถ้ามาเด็ดเจริญกุศลมาต่อมาก็คงตายไปนานแล้วต่างแต่ขอหักต่างแต่ลดความหลายครั้งไฟลวกฟ้าผ่าก็คงจะตายไปนานแล้ว ขออย่าโยมทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติดีสุดกระชงบุญวัฒนาเถอะอย่าให้มันใกล้วัฒนาบารมีแต่ประการใดเราก็เป็นมนุษย์เสียชาติเดียกันทุกคนมีมือสองเท้าสองสองมองหนึ่งเดีกันอย่าคิดเลวตั้งสติคิดทำอะไรก็มีความคิดมีสติคิดประประการได้ความรู้จริงจากการปฏิบัติกรรมฐาน เนี่ยดูอย่างยกตัวอย่างสมเด็จย่าประชนชนภาษาถิ้งเก้าทิฏฐิพระัาษาและพระองค์ไม่ว่างช่วยเหลือประชาชนตลอดกระทั่งทลาภาพมากแล้วก็ยังสเสด็จไปช่วยเหลือผู้ยากไร่เอาแพทย์หมอไปช่วยประชาชนที่อยากจนเรียกว่าพระราชดำรีของพระองค์แพทยประจำพระราชธนีไปสร้างความดีกับชายแดน ตลอดรายการสึทชารทถึงเวลาการที่ถึงวันที่10มีนาแล้วราจทานเพลิงพระบรมศพวันที่10มีนาคมนี่แหละทุกจังหวัดทำการทุกอำเภอด้วยถวายดอกไม้จันถึงการถวายเหลา จ, จะขรนรอมการทั้งประเทศนี่แหละเอาจันไว้เป็นตัวอย่างแล้วเราไม่ขาดจันนะ เรามาเจริญสมาธิถวายให้แก่สมเด็ยจย่าจะก็น้อมนึกมาถึงตัวเราอ่ะสมเด็จย่าเราขเก้าจุดสี่ทั่วประเทศทั้งในประเทศนอกประเทศเรียกสมเด็จย่าหมดประดุจว่ายา่านะครับพูดจะพูดอย่างตามสากชาวบ้านแล้วก็ย่าก็คือแม่ของพ่อพอเราเป็นประมาทกระชับในประเทศไทยก็เรียกกันตามประเพณีสืบมา ตามน่าจะประเพณีของโบราณเลยเรียกง่ายๆก็เขาเรียกว่าด้มเด็จย่าแล้วถวายพระกุศลตามมาก็ทำบุญทุกวันเวลาทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันทำให้ทุกทุกววาระเวลาเลี้ยงคนในเรือนจำหมดเราก็ชื่นใจดีใจใครทำก็ได้ไม่เป็นไรก็ไปเรื่องขอาจริงตจยไปเรื่องของโนนันปาน นีหละบุญบารมีเนี่ยสร้างก็ไม่ยากนะแต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปแต่ใครมีบุญก็สร้างง่ายคนไรบุญวาสนาไม่มีกระตานิสเวทีสร้างยากสร้างไม่ค่อยได้เพราะจะคิดแต่เป็นอกุศลละกรรมคิดแต่อกุศลละกรรมตลอดเลยการอาตมาพออนุมูธนาแก่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและพระฤหัสขอให้สร้างบารมีสร้างบุญ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่นตนถ้าอย่าเบียดเบียนตนเลยอย่าเบียดเบียนคนอื่นเขาอย่าทําให้เดือดร้อนเดือดร้อนตนใหญ่คนอื่นก็เดือดร้อนแต่ประการใดทิ้งตัวเองจะเดือดร้อนกว่ายายคนอื่นนจะร้อนเราพิาจารณาสอนชัดเจนอย่าเบียดเบียนตนอย่าทําตนให้เดือดร้อนทําตนให้มีวาสนาให้ได้สร้างบา ร, รมีให้แก่นตนไว้ทิ้งชาตินี้จะไม่มีความสุข ในวาระโอกาสใดก็พยายามสร้างความสุขให้แก่ตัวเองสร้างความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตตลอดสำปะทะปลยภพภายเบื้องหน้าถึงต่อไปอาจจะได้บุญได้กุนไประจำตัวของตนเองพอท่านกลับไปแล้วโดยสวัสดีมีชัยมีการอาโหสิกรรมต่อพระรัตนกระสงทั้งหลายก็อโหสิให้แล้วโดยการอ่อนน้อมในการอาโหสิกรรมซึ่งกันแลกัน ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันแล้วนะ้ําบัดเราจะไม่สร้างเวรสร้างกรรมกันต่อไปเราสร้างแต่บุญแต่เราสร้างบุญแต่ไปสร้างเวงกรรมไอ้บุญมันก็จะหนีไอ้กรรมก็จะมาชัดไอ้บาปก็เดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นเราขอฝากญาติโยมไว้จงสร้างบุญเถอะมีความเจริญรุ่งเรื อ, องในครอบครัวทุกโยมแล้วก็ขอให้โยมมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งลูกหลาน ในนาคดับการเบื้องหน้าโดยจะพอต้นเดียดยาวนสานนมัญชนแท้แท้ยังมีบุญวัฒนาถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องกล่าวมากแล้วก็คงจะเข้าใจกันทุกท่านเนี่ยบุญบา ร, รมีมากมายพ่อสร้างไว้มากสร้างไว้นานถึงเต่าที่ผิดประษาตอนทชนราษาห้าทีสามเจริญกรรมฐานหนึ่งเดือนที่วัดมหาธ า, าตุตมายอยู่ที่นั่นตลอดหนึ่งเดือน จึงรู้เรื่องนี้ละเอียดขอฝากนังหลายตัวชักวนาการทุกท้ายนี้ก็ขอบุญกุศลจะญาติโยมได้มามาเพ็งกรรมฐานมีปัฒนากรรมฐานจเจริญสติปัฏฐานสี่ทางใช้เอกนี้ก็ขอให้บุญนี้ติดตามตนเป็นพลวะปัจจัยไปนาโคตรการเมืองนาและสำปรยายพบในอนาคตตการทุกประการ ขอความเจริญรุ่รงเรืองในธรรมนำมาปฏิบัติในหน้าที่ของท่านในการจเจริญธรรมะเจริญปฏิบัติกรมรมฐานและควาเจริญรุ่รงเรืองวัฒนาสถาพรก็จเจริญไปด้วยอายุวรนนาถูกข่าวพระปฏิภาณธนารามสมบัตินึกเคสจริงหนึ่งประการได้จะได้สมมาศาสนาด้วยการทุกข์ทุกข์นามณโอกาสบัดนี้เทอา